ถ้าถ้ามองแบบวิเคราะห์แบบทั่วๆไปนะอย่างเช่นคนที่อยากจะเจริญวิปัสสนาเลยอย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่ที่เรียกว่าไม่ไม่กรุณาคนรอบข้างเลยไม่คิดให้ประโยชน์คนอื่นเขาเลยนะจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมันมันไปรอดไหมไปไม่รอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกอัพยาปาทากับอวิหิงสานี่จะต้องดีพวกนี้ในฐานะเป็นบริวารช่วยช่วย ช่วยสัมมาทิฐิทั้งหมดเลยนะท่านถ้าใครที่กุศลสังกัปะไม่ดีก็วิปัสสนายาก น, นะก็รู้รอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมมันไม่ยอมคิดละ่ะ น, นะนั้นพระองค์แสดงสัมมาสังกัปะตามเป็นลําดับต่อมาใช่ไหมกุศลสังกัปะนี่เกื้อกูลนะต่อการรู้อริยสัจท่านสัมมาสังกัปะเป็นชนยัยเนคขมะ สังกัปปะอภพยาปาท้าสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนั้นกุศลสังกัปปะเพื่อกูลต่อความรู้อริยสัจเห็นไหมเพราะตัวสัมมาทิฏฐิรู้อะไรนะทวนสัมมาทิฐิรู้ความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทยัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขานิโรธาคาม น, นีปฏิปทาเป็นสัมมาทิฐิ ท, ทีนี้สัมมาทิฐิจะต้องอาศัยสัมมาสังกัปปะมาช่วยอันนะคือ เนคขมมะสังกปัปะอัพยาปาทาสังกปัปะอวิหิงสาสังกปัปะเกื้อกูลต่อสมมาทิฏฐิมากเนี่ยนทีนี้พื้นฐานเนี่ยถ้าจะว่าโดยตรงๆเนี่ยนคนเนี่ยเวลาคิดอะไรมากๆนะวิตกกะอะไรมากๆนะจะพูดอันนั้นอันนี้โดยโดยธรรมดาหรือพูดอะไรพูดแล้วก็เอาเรื่องนั้นแหละไปคิดต่อ ก, ก็จะทั้งสองอย่างเลยนะแต่จริงๆตัวพูดตัวสังกปะตัววิตกเนี่ยเป็นวจีสังขารเป็นเหตุใกล้ของคำพูดที่สุดเนั้นค น, คนถ้าคิดอะไรมากๆก็จะพูดสิ่งนั้นมากๆถ้าใครคิดอริยศสัสตร์มากจะเอาอริยศสัสตร์เนี่ยมาพูดมากถ้าใครกา ม, มาวิตกมากจะพูดหากรรมใครพยาบาทวิตกมากพูดพูดพูดความเลวคนอื่นมาก ถ้าใครวิหิงสาวิตกมากานะคิดแก้แค้นบ่อยมากถ้าพวกกุศลสังกตปะมากนะเช่นคิดให้ทานเรื่องต่เรื่องทานคิดจะต้องรักษาศีลคิดนะเจริญสมถะคิดเจริญเมตตาหรือคิดด้วยจริงจมันเห็นเลยนะว่าถ้าคนเนคขมมะสังกัปะมากเขาจะพูดยังไงอนะี้เขาพูดจะออกอย่างเดียวคือคือพูดไม่ลักษณะพูดเอาอ่ะนะ อย่างเช่นพูดถึงอาหารก็คือพูดลักษณะให้ทานานะพูดลักษณะให้ทานคือเอาไม่เอาอ่ะนะอยู่ในโลกมันก็กินอยู่แล้วแหละมันโดยธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าคนที่เนคขมมะสังกปะมากคิดใหนะ้ทุกอย่างในโลกนี้ก็เหมือนกันหรือพวกเนคขมมะสังกปะมากมกก็เออขอไว้อพยบาทมากๆ ก, ก, ก็จะพูดเห็นใจเขาเนี่ยนะพูดด้วยอานาจเมตตาเนี่ยนะพูดให้เขาได้รับประโยชน์ ถ้าพวกวิหิงสอะอาวิหิงสาสังกปะมากๆก็จะพูดด้วยอำนาจการุณานนะก็คำพูดเหล่านี้เกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเลยนะเพราะคำพูดทั้งหลายจึงเป็นมรคไหมเป็นสัมมาวาจา น, น, นะนั้นคำพูดที่ถูกต้องน ะ, ะย้อนอีกข้างหนึ่ง ถ้าอากุศลสังกับปะมากๆเช่นถ้ากามสังกับปะมากๆนะีมันจะทําให้มูสาได้ไหมมูสาก็ได้สมมติคนอยากได้นะหลอกเอาก็ไดไ้คนถ้าอยากได้มากๆพูดส่อเสียดได้ไหมได้ถ้าคิดจ ะ, ะคิดอยากได้มากๆเ่ยนะพูดคําหยาบได้ไหมก็ก็พูด ขู่เขาไหมพูดดา่าพูดขู่ให้เขาให้เขาปล่อยจะเราจะได้เอาแล้วก็เพื่อเจอนะพูดหลอกลวงไปเรื่อยนะอาจารย์นี้จะไปสอบนะักทำตีอาจจะสอบตกพรอาจารย์อ่านตอบไม่รู้เรื่องทำไมอาจารย์เขียนเนี่ยถ้นักทำตีเนเราล้นักทำใจเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่อง อ, อาจารย์ที่สอนอ่านไม่รู้เรื่องไห เขาเลยให้ตกเลยอ๋อดีนะตอนที่สอบนักทำเตี่ยจารย์บุญมีไม่ใช่คนสอนไม่งั้นตกไปแล้วมาสอบได้แล้วนะนักทำเตี๋อเออเมื่อสิบเอ็ดปีก่อนโน้นนะก็ไอสไตล์ทกันบ้านให้เด็กอะอะพอละพอลสองกสองเนี่ยเนคตอบหน้าก็ะดาษนูานไม่รู้เรื่องให้ตกเลยนี่มาดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้า กามมสังกปะมากๆตามด้วยมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทธสวัจาสัมผัสปลาปะถ้าพยาบาทพยาปาท่าสังกับปะมากๆก็จะตามด้วยมูสาวนะคนที่พยาบาทเยอะๆนะมูสาก็ได้ส่อเสียดก็ได้พูดคําหยาบนี้ตรงตัวอแล้วใช่ไหมแล้วก็เพิอเจอได้ไหมก็ได้อยู่แล้ว ถ้าพวกวิหิงสาสังกปะมากๆนะคิดเบียดเบียนคนอื่นมากๆ ก, ก็มุสาสอเสียดคำหยาบเพอร์เจอมันก็พูดอยู่เท่านี้แหละนะปุตชชนทั้งหลายทั่วๆไปที่มากไปด้วยอากุศลไม่ตกนะคำพูดไม่ตกมูสาก็สอเสียดไม่สอเสียดก็คำหยาบไม่หยาบก็เพอเจอก็มุนๆอยู่แถวๆนี้แหละนั่นประกาศถึงว่าอากุศลสังกปะเข้าบริบูรณ์เข้าจึงพูดสิ่งเหล่านี้ได้บริบูรณ์ ทีนี้ถ้าเป็นพวกกุศลสังกปะมากๆ น, นะพื้นฐานเขากรุณาเข้ามากอาขอไปพื้นฐานถ้าเขาเนคขมมะมากนะเขาจะพูดเพื่อจะเอาไหมไม่ใช่ทคําพูดของเขานี่ก็จะเป็นพูดคําสัตย์คําจริงเนะนะเพราะถ้าใครที่เนคขมมะสังกปะมากคําพูดจะเว้นจากมุสาวาตเว้นจากสอเสียดเว้นจากคําหยาบเว้นจาก เพอร์เจอร์พวกอภยาบาตรมากๆอ่ะนะพวกเมตตามากๆก็จะคําพูดอยู่ในสี่ประการอีกนั่นแหละพวกอวิเหงสามากๆก็เว้นจากคําเท็จเว้นจากคําอย่าเว้นจากคําส่อเสียดเว้นจากคําเพอร์เชอร์สงสารเข้าเลยพูดหลอกเข้าให้เขาสบายใจเนี่ยนะอันนี้ดีไหมสมมติว่าเข้าหน้ากรุณามาก เราเห็นแล้วกรุณาจับใจเลยนะแล้วเราก็หลอกเขาซะหน่อยคือหลอกให้เขาสบายใจอ่ะนะจริงๆคนพูดแบบคนประเภทนี้เยอะนะคือเช่นเขาหวังอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะเราก็สงสารเขามากอ่ะนะก็เลยหลอกให้เขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยไดนะ้คือเพราะกรุณานะเพราะเห็นใจเขาก็เลยมุสาวาตซะหน่อยจริงๆบางอย่างอ่ะนะถ้าถ้าคนที่ไม่โยนิโสมนสิการให้ดีๆเนี่ยนะ ก็สามารถหลอกคนอื่นได้เหมือนกันนะเช่นอย่างที่เคยเล่าว่ามีคนหนึ่ง น, นะเขาไปบ้านแม่ยายเขาบ่อยแม่ยายก็จะต้มฟักทองให้กินทุกครั้งเลยนะสงสารแม่ยายโหกว่าจะตอกเสร็จอะไรมาต้มมาทําอ่ะนะสงสารมันอร่อยไหมลูกอร่อยมากครับน่ะนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปแม่ยายก็จะต้มฟักทองให้กินทุกครั้งเลยนะ ก, ก็ก็หลอกแม่ยายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยดีไหมคุณน้องถ้าเป็นแม่ยายเอง เดือดร้อนแน่นะถ้ารู้ในตอนหลังนะไอหม้อแรกอาจจะพอเค้ายังชั่วน่อยนะต้มมาสิบปีแล้วอย่างเงี้นะมาบอกเราตอนหลังเ น, นี่ยมันจึงไม่ใช่กรุณาอย่างอย่างแท้จริงนะท่านถ้าการุณาอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นคําพูดที่ไม่เกิดไม่มุสาวาตนะก็บายเบี่ยงไม่ยอมพูดก็ได้นะอร่อยไหมก็เงียบๆเลยนะเขาก็รู้เองเลย <c oughs> หรือพอทานได้ นะเนี่ยไม่แพงอ่ะเนะี่ซื้อผลไม้ไปฝากพ่อแม่หรือซื้อของบางอย่างไปฝากเลยแพงไหมเนี่ยแพงไหมเนี่ยไม่แพงหรอกอย่าง้แล้วเขารู้ในตอนหลังนะ่ะคือคือก็บอกว่าพอหาได้หรืออะไรก็ว่าไปอ่ะนะพอหาได้อันนี้มันก็คู่ควรกับแม่แล้วอะไรก็ว่าไปะนะโดยที่เราก็ไม่ต้องไปมีอยู่เรื่องหนึ่งนะจะพูดนะพระพุทธเจ้าไม่ตอบตรงคําถาม มีพรามคนหนึ่งเข้าไปนิมนต์พระเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงเพนหรือเลี้ยงเลี้ยงพระสซสสายเนี่ยวันนั้นเนี่ยพรามคนนี้ปกติเขาเพิ่งมีศรัทธาก่อนหน้านี้เขานับถือาศาสนาอื่นอยู่เขาเพิ่งมามีศรัทธาเนี่ยพระก็เขานิมนต์พระไปเยอะมากพระก็เลยจะไปฉันอิ่มหรือเปล่านะบ้านนี้ก็เลยไปเที่ยว บ, บินทบาทบ้านเดินๆันฉันไปก่อนฉันจนอิ่มเลยแหละ แล้วก็ไปบ้านพรามพรามเขก็ทําอาหารเยอะแยะไปหมดเลยพระก็บอกเอาแต่น e ้อยเอาแต่น้อยก็พอนะโยมไม่ต้องเยอะหรอกพรามก็แปลกใจบอกผมของมีเยอะครับของมีเยอะนะนะร็จแล้วก็บอกไม่ใช่กลัวของเยอะหรอกบอกอาตมาอิ่มมาแล้วบอกก็ผมก็ผมนีมนแล้วอะทําไมไปฉันของคนอื่นล่ะกลัวผมจะอาหารไม่พอหรือยังไงอ่ะนะแกก็เลยประโชดเลยตักให้องคลบาตองคลบาทองลบาตเต็มบาตแต่ทุกองค์เลยนะ ถ้าเขามาเสียใจเฮ้เราในสงสัยทําบาปไปแล้วมั้ง น, น, นี่ก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าว่าข้าพระ อ, องค์เนี่ยเป็นอย่างนี้พระเจ้าข่าพระ อ, องค์ก็คิดนะไอเจตนาที่ทําบุญเนี่ยมันเป็นบุญไปแล้วมันดีใจไปเธอะมันเป็นบุญไปแล้วไอจงที่ตักประชดพระ อ, องค์ไม่พูดถึงสักคำเลยเนี่ยนะเนี่ยนะทั้ง น, น, น, น, น, น, นั้นก็บางบางทีนะเราก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งนั้นก็ได้ก็เลี่ยงไม่พูดถึงซะอะไรซะ ก็ก็ได้อยู่แล้วล่ะอ้านหนุๆเนี่ยสาวๆชอบอ ร, อ ร, ร้อนเล่นเนื้อข้าวต้มร้อนๆมาใส่บาตมือทองนั้นสัมมาวาจาเนี่ยนะเกื้อกูลต่อสังกัปปะมากนะสมมุติถ้าเราไปพูดคําพูดที่เป็นมิจฉาวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เช่นเพอเจอปิสุนาวาจาสัมผัสปลาปะหรือคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมิจฉาวาจานีมันจะตามมาด้วยอคุสนสังกปะอันนก็เรียกว่าพอพูดเสร็จนะคิดแก้คำที่ตัวเองพูดนะั่นแหละคือรู้ว่าตัวเองพูดเป็นมิจฉาวาจาในตอนแรกไนงะก็มาคิดทําไมเราจึงพูดอย่างนั้นกันนะก็เปลืองความคิดไปตั้งเยอะแล้วนะเสร็จแล้ว แล้วไปแก้ยังไงต่อไปเนี่ยนะก็คิดแก้ก็เหมือนกับว่าว่างๆทำสีให้มันหกใส่พื้นบ้านใช่ไหยแล้วก็มาล้างมาเช็ดอยู่นั่นแหละเพ ะ, ะนั้นมิจฉาวาจาเนี่ยง่ายมากต่ออากุศลสังกปะถามว่าใครที่มีมีอำนาจมากมีบุญเก่าเยอะสามารถด่าคนอื่นได้โดยที่คนอื่นไม่เถียงเลยนะแล้วคนนั้นไปนั่งสงบสงบได้ไหมะนะเอางู้การเนี่ยไปถึงสมมติดูลูกน้องเลยนะครึ่งชั่วโมงอะนะ แล้วก็มานั่งกรรมฐ า, านสบายเนี่ยนะอย่างนั้นไหมไม่ใช่แน่นอนเลยนะเพราะฉนั้นฉันใดก็ดีผู้ที่พูดเนี่ยถ้าใครใช้มิจฉาวาจามากๆนะอย่าคิดว่าเขาจะสงบนะถ้ายิ่งมิจฉาวาจามากเท่าไหร่เขาคนนั้นแหละเขาทุกข์มากกว่าเพื่อนอยังไงถามว่าถ้าด่าลูกมากๆแล้วถามว่าแม่นั่งสบายใจเลยใช่ไหมยิ้มแป้มีความสุขเลยเห็นไมไม่ค่อยสบายใจหรอกเชื่อเถอะ ตัวในครั้งหนึ่งนะว่าสัมมาสังกปะก็เป็นเหตุใกล้ต่อสัมมาวาจาผู้ที่มีสัมมาวาจาก็ช่วยทำให้สัมมาสังกปะเนี่ยดีปกตินะคนถ้าพูดอะไรก็เขาก็จะทำมันนั้นไนงะทำก็คือกรรมมันตะกรรมะนะ ก็คือกรรมไงก็ก็คือการกระทําการกระทําโดยทั่วไปก็เป็นผลของคําพูดนะอย่างที่ที่เราทําทําอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลที่เราพูดไว้ก่อนนะใช่ไหมอาารเกตพูดไว้ก่อนไหมที่จะมาเรียนธรรมะถ้าไม่พูดไว้ก่อนก็ไม่ได้มาเรียนใชก็เล่าบอกเขาว่าคนอื่นไว้ก่อนนะนะจะมาเรียนคนอื่นเขาจะได้ไม่ชวนเวลานั้นอย่างเงี้ยนะั้งคำพูดเนี่ยมีผลต่อการการกระทําทุกอย่างแม้กระทั่งซื้อของเนี่ยนะถ้าไม่พูดจะได้ไหม คำพูดเนี่ยนับว่าสำคัญมากเป็นเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมไปสู่พฤติกรรมอย่างผู้การจะปูพรมเจดีเนี่ยตั้งห้าเจดีเนี่ยนะผู้การถือศีลเงียบถามาคิดว่าจะได้ปูไหมถ้าแล้วพวกเขาจะไปร่วมไหมอย่างเงี้ยนะเก็บในใจอย่างเดียวเลยนะไม่ยอมพูดก่อนนั้นพูดนี่เป็นเหตุใกล้ต่อ การงานเนี่ยนะกรรมมันตะเนี่ยเกื้อกูลมากเพราะคําว่ากรรมันตะหมายถึงแม้กระทั่งการขยับเขยื้นเคลื่อนไหวตัวทุกครั้งเนี่ยโดย ท, ทั่วไปก็เป็นผลของคําพูดอย่างเราจะไปหรือเราไม่ไปเป็นต้นก็พูดไว้ก่อนส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จึงได้ไปจึงได้ทำํำนั้นคําพูดนั้นมีผลต่อสิ่งที่ทำนะสิ่งที่ทําก็มีผลต่อคําพูดอีกเหมือนกันนะจีพอมันมันก็สลับสลับกันกลับไปกลับมาอีกแถวนั้นนะ มีน้อยมากที่ทำโดยที่ไม่พูดนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วพูดก่อนแล้วจึงทำแต่ทีนี้พอทาเสร็จก็มาพูดถึงสิ่งที่ทำอีกนั่นแหละการพูดการทำเนี่ยนะถ้าใครพูดสิ่งใดมากทำสิ่งใดมากอันนั้นนะ่ะคืออาชีพเขาเพราะมเป็นอยู่โดยอาศัยเนี่ยอาศัยสิ่งที่ทำกับคำที่พูดน่นะเพราะชีวิตดำรงอยู่ด้วย โดยสิ่งที่ทําคําที่พูดอันนั้นเป็นอาชีพทีนี้ในในทางธรรมะเนี่ยถือเอาอะไรเป็นเป็นกฎเกณฑ์ใหญ่ที่สุดถือเอาสัมมาทิฏฐินะเป็นเป็นตัวกฎเกณฑ์ใหญ่ที่สุดนั้นความคิดสังกับปากก็ต้องให้มันสมควรแก่สัมมาทิฏฐิคําพูดก็ให้สมควรแก่สัมมาทิฏฐิอนุวัตต่อสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เราทําอยู่ก็ต้องอนุวัตต่อ สัมมาทิฏฐิอาชีพที่ทำอยู่ก็ต้องเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิทีนี้ถ้าเมื่อสัมมาทิฏฐิเอาเป็นหลักเป็นประธานอย่างนี้ถ้าขาดความเพียร่ะไปได้ไหมพันธุ์โพลจึงแสดงวิริยะเป็นลำดับต่อมาเพียรในที่นี้เพียรทำอะไรก็เพียรละบาปกับเพียรเจริญบุญเนี่ยนะเรียกว่าสัมมาวายามะใช่ไหมก็สัมมาประธานสีในนะั้นะนะนะสัมมาประธานสี่เนี่ย พวกความเพียรพวกนี้จะต้องทำทุกอย่างด้วยความเพียรแม้แต่สัมมาทิฏฐิก็ต้องทำด้วยความเพียรสัมมาสังกปะอย่างสัมมาสังกปะหรือเราเคยได้ยินอยู่คำหนึ่งว่าวิริยะสังวร อ, อ่า น, นะวิริยะสังวรคืออะไรคือการเพียรกาจัดอกุศลวิตกอันนี้ต้องเพียรมากเลยแหละ วิริยะสังวรคือเพียรกําจัดอกุศลวิตกเพียรกําจัดมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแล้วใครที่จะพูดสัมมาวาจาได้เนี่ยเพียรไหมเพียรมากเลยะนะจะเช่นจะสาธยายพระสูตรนะถ้าไม่เพียรไม่ได้สาธยายหรอกผมท่องไม่จำเลยนะนะีมันก็ต้องความเพียรเนี่ยแม้กระทั่งทําอะไรก็ต้องความเพียรอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพจริงๆแล้วโดยมากก็ต้องเพียร คือมิจฉาเนี่ยมันมีฉันทาเข้ามามากมันก็เลยไม่ค่อยเพียรมากนะบางบางส่วนนะนีแต่ว่าพอมานึกถึงพวกอาชีพในพรานเป็นต้นเนี่ยนะหูเขาขยันจริงๆรนะิเลเราใครที่เรียกว่านักเจริญกรรมฐ า, านทั้งหลายแหละไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนเลยสู้อาชีพพวกพรานไม่ได้สู้สู้อาชีพเกี่ยวกับพวกทำอกุศลนะปานาติบาตก็เพียรพวกอาทินนาธานก็เพียรกาเมก็เพียรมูสาวะก็ยังเพียรเนี่ยนะ ดื่มสุราก็เพียน โ, โหยุงกัดนะพวกนี้ไม่สนใจนะเพียนมากเลยแต่ว่ามันเพียนด้วยอำ น, นาจฉันทาซะส่วนใหญ่มันก็เลยเหมือนกับไม่ต้องเพียนอะไรแต่ในทางธรรมะนั้นความเพียรเนี่ยสําคัญมากต่อการบรรลุมรรคผลทีนี้คนที่ทําความเพียนเนี่ยนะคนที่ทําความเพียนอ่ะไอ้ส่วนที่เรียกว่าสําคัญคือสติ มีสติรู้ว่ารู้อะไรเป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมอันนี้สัญญามนัสสิการตัวนี้ต้องแม่นยำมากเลยอันนี้ถูกกันนั้นผิดอันนี้เป็นกุศลสังกปะอันนี้เป็นอกุศลสังกปะพูดอย่างนี้มีผลอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปนะทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้อย่างนี้อาชีพอย่างนี้มีผลอย่างนี้เพียรแบบนี้มีผลอย่างนี้เอาอะไรเป็นเครื่องระลึกสตินี่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรฟันสติ ที่รู้คติแห่งอะไรเป็นอะไรจึงประคองให้เกิดสมาธิได้ถ้าสติไม่ดีขนาดนั้นนะสมาธิเกิดไม่ได้นั้นสตินี้จะต้องเจริญประคับประคอ ง, อยงแยกแยะอะไรทั้งหมดไม่หลงลืมไม่เบลไม่เลอะเทอะไม่เลอะเลือนทั้งหมดเนี่ยนะจิตจึงสงบได้ทีนี้จิตสงบความสงบที่ถูกต้องนะเป็นความสงบที่เพื่อ เพื่อสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยถ้าเขียนให้ตรงๆก็เขียนเป็นวงกลมก็ที่จริงถ้าจะเขียนมรรคแบบนีนควรเขียนเป็นวงกลมพอมาถึงตรงนี้ผมยังเห็นว่าสติเนี่ยนะฮะก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับกับสุตะนะฮะหรือว่าพระภูสุตมากมากเลยรายละเอียใกล้เขาก็ไปไปจําไในสิ่งเหล่านั้นมาด้วย สติตัวเนี้ยเพราะว่าตัวสติตัวนี้ไปรู้ว่าอะไรอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับเจนพาเนี่ยคือวาจาก็เป็นวจีใช่ไหมคำพูด กรรมันตาก็เป็นอะไร<ำ>เป็นการกระทา <Yeah. S 1> อาชีพละ่ะก็คือพูดกับท ำ, ทำเพียนก็เพียนทำอะไรก็เพียนอยู่เท่านี้อันนี้ว่าทิฏฐิคือความเห็นสังกับป่าเป็นการตรึกวาจาก็เป็นคำพูดนี่ก็ทำแล้วเราจะเอาอะไรเป็น เป็นตัวรับรองว่าอะไรมันเป็นอะไรผิดถูกนะนะเอาอะไรมาเป็นเครื่องรู้ว่าผิดถูกเพราะฉะนั้นสติท่านจึงวางเป็นลำดับต่อมาแต่สติที่ที่ถูกต้องนะสะติที่ทากิจของสติได้คือสติที่บวกกับสัมปชัญญะที่ใดพูดสติที่นั่นก็พูดสัมปชัญญะอยู่ในตัว ที่ใดพูดที่ใดมีปัญญาที่นั่นสติมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าที่ใดสติที่ทํากิจของตัวเองหมายถึงสติที่บวกกับสัมปชัญญะมีอะไรศาธากะสัมปชัญญะสั ป, ปายะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นต้นนั้นสติที่ที่ดีจริงๆต้องเป็นสติที่เป็นไปกับสัมปชัญญะทั้ง4โดยเฉพาะสาธากะสัมปชัญญะเนี่ยรู้เลยใช่ไหมว่า อันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาสังกปะมิจฉาสังกปะสัมมาวาจามิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะสตินี่เป็นเครื่องตรวจสอบเรียกว่ารู้คติแห่งธรรมทั้งปวงสตินะรู้คติแห่งธรรมรู้ว่าผลของที่เราพูดมีผลยังไงต่อไปสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมีผลอย่างไรต่อไปหรือเราเคยทำอะไรมาบ้างอะไรเป็นต้นเนี่ยนะสตินี่เป็นตัว ระลึกมันถ้าระลึกได้ดีอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้เกิดความสงบความสงบหรือไม่สงบก็ดูที่สติดีหรือไม่เนี่ยนะถ้ามีสติมากก็สงบถ้าวันไหนขาดสติก็ไม่สงบทีนี้ขณะที่ขาดสติเนี่ยคือขณะไหนขณะที่มิจฉาทิฏฐิเกิดก็ชื่อว่าขาดสติขณะที่มิจฉาสังกปะเกิดก็ชื่อว่าขาดสติขณะที่ มิจฉาวาจาเกิดก็ชื่อว่าขาดสติถ้ามากุศลอยู่ก็ชื่อว่าขาดสติเนี่ยนะหรือไปขยันในสิ่งที่ไม่ควรขยันเนี่ยนะก็ชื่อว่าขาดสติเหมือนกันฉะนั้นคว่าสติเนี่ยเป็นคาที่เรียกว่ากว้างมากกว้างจริงๆเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยสติที่ถ้าพูดคำว่าสติปั๊บสัมปชัญญะสีต้องมาฉนั้นคนที่จะวินิจฉัยอะไรได้ดีเรียกว่ามีสติดูอ่ามีสติดีก็ดูได้จาก เนี่ยศาสตะสัมปัญญะอะไรคือประโยชน์ของเขาอะไรคือไม่ใช่ประโยชน์ของเขาบอกคนพานเนี่ยมองเห็นประโยชน์เฉพาะโลกนี้เนี่ยคนพานเนี่ยนะถ้าบัณฑิตเห็นโลกทั้งสองเนี่ยนะเพราะเขาเห็นโลกทั้งสองเนี่ยแหละเขาจึงต้องการพ้นโลกเนี่ยนะเพราะก็เลยว่าเป็นบัณฑิตยิ่งกว่า บัณฑิตทั่วๆไปอีก น, นะเพราะคนที่เป็นคนพานทั่วๆไปนะที่เขาปล่อยปลาละเลยก็เนื่องจากเห็นเฉพาะประโยชน์ในในโลกนี้ถ้าไม่เห็นประโยชน์ในโลกนี้เลยเขาแบ่งอย่างนี้นั่นหนึ่งตาบอดตาเดียวสองตานนะพวกตาบอดโลกนี้ก็มองไม่เห็นโลกหน้าก็ไม่สนใจนะพวกนี้เรียกว่าบอดสนิทเลยก็ ประโยชน์โลกนี้มันเป็นยังไงขยันทำมาหากินเป็นต้นก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยนะเมาอย่างเดียวเป็นต้นนี่เรียกบอดสนิทพวกตาข้างเดียวรู้แต่ว่าทำยังไงจะกอบโกยหรือหาผลประโยชน์ในโลกนี้ที่สุดเท่าที่จะจะทำได้โดยวิธีการต่างๆ ต, ต, ตามความเชื่อของตนอันนี้เรียกว่าตาเดียวพวกสองตาก็คือเห็นโลกนี้ด้วยเห็นโลกหน้าด้วยเรียกว่าคนมีจักสุ พื้นฐานในมัจทั้งหมดเนี่ยนะอยากจะเน้นก็คือสติใช่ไหมตัวที่รู้คติแห่งกุศลรู้คติแห่งอกุศลว่าถ้าเจริญตามสัมมามัจผลอย่างไรถ้าเจริญตามมิจฉามัจเป็นอย่างไรแต่สตินั้นต้องเป็นไตรกับสาทกะสัมปชัชญะส ป, ปายะสัมปชัชญะโคจระสัมปชัชญะแล้วโดยเฉพาะอะสัมโมหะสัมปชัชญะเนี่ยนะพวกนี้ต้องแม่นยำมากๆถ้า จเจริญตามนี้ไม่ได้นะก็ยังไงก็ไม่ได้ทำปริญญาในทุกหรอกกลับวิ ป, ปรลาสในทุกถ้าถ้าตามมรรคนี้ดีนะถ้าตามมรรคนี้เจริญได้ดีได้ถูกต้องจะเห็นทุกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะสมุทัยต้องละโดยส่วนเดียวนิโรจะทำให้แจ้งแล้วก็กุศลธรรมทั้งหมดนี้ต้องอบรมต้องจเจริญ แต่ถ้าเมื่อใดที่สติไม่ดีเป็นต้นนะตรงกันข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าฝืนฝืนฝืนกระแสวตะมากมเลยนะฝืนตั้งแต่เรื่องความเห็นนี่ก็ฝืนใช่ไหมทิฏฐิก็ฝืนสังกะปะก็ฝืนวาจาก็ฝืนกรรมันตาก็ฝืนอาชีพก็ฝืนความเพียรนะก็ฝืนมากเลยสติก็ต้องฝืนสมาธิก็ ฝืนมันเขาเรียกว่าปฏิโสตะคามีเนี่ยนะก็แบ่งเปนะ็นอนุโสตะคามีพวกนี้ก็ไปตามกระแสกระแสกระแสวัตะนะกับพวกปฏิโสตะคามีพวกปฏิโสตคามีเนี่ยพวกทวนกระแสถ้าเป็นพาหันก็ขึ้นถึงฝั่งแล้วไม่ต้องทวนไม่ต้องตาม ถ้าเป็นปุตุชนธรรมดาทั่วๆไปโดยมากตามกระแสถ้าตามกระแสจริงๆนะคนนั้นก็ค่อนข้างสบายใช่ั้ยในตอนแรกแต่ตอนหลังไม่รู้นะแต่ว่าตอนแรกๆแล้วค่อนข้างสบายแต่ถ้าพวกต่อทวนกระแสตอนแรกตอนแรกลำบากตอนท้ายก็สบายแต่พวกขึ้นบกแล้วก็อันนี้สบายอยู่แล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องมรกนะถ้าถ้าจะ วิเคราะห์เอกในหนึ่งะนะดังที่เราสมมุติว่ารับหนึ่งอารมณ์เนี่ยสมมติเอาเอาสีคุ้นเคยกันมา ก, ก น, นะเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยมีสีเป็นอารมณ์แล้วคิดมรรคแดดูสิะนะนีอลองไปคิดดูนะถ้าคิดเห็นก็ ก, ก็ก็เข้าใจเพราะว่าตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันติสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเป็น ศีล ส, สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นส ม, มาธิเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอันนี้แล้วเจริญศึกษาสามได้ศีล ส, ส ม, มาธิปัญญาหรือใส่ใจเป็นมักมีองแ์ดได้ในหนึ่งอารมณ์นะอย่างอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาเนะทีนี้ทำไงให้มันเจริญได้กับทุกอารมณ์ละ่ะนั่นแหละคือการปฏิบัติละไนนะ สติที่ที่มุ่งบรรลุอริยสัจเนี่ยจึงเป็นไปตามสติประธานสีถ้าสติเที่ไม่ได้เป็นไปตามอริยสัจก็เป็นไปตามทานศินทั่วทวไปที่เป็นกุศลทั่วทวไปแต่ถ้าสติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะต้องสติเป็นไปตามแนวว่าทุกข์ควรทำปริญญาเนี่ยนะทุกข์ก็คือรูปคือกายเวทนาจิตและธรรมนะรูปควรควรวิเคราะห์อย่างไรเวทนาควร วิเคราะห์อย่างไรจิตควรวิเคราะห์อย่างไรปัญญาเออเข้าไปธรรมะควรใส่ใจอย่างไรเนี่ยนะนสติอันนี้จะต้องแม่นยำมากเพราะถ้าความเป็นปะหูสูตรไม่เพียงพอเนยะนึกไม่ออกเลยว่าจะปฏิบัติได้ยังไง น, นะถ้าถ้าด้วยเหตุผลธรรมดาทั่วๆไปอย่างนี้นะ นนอ๋อคือรีกว่ารวมปัญญาแต่ว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคนละอันคนละอันอยู่แล้วแต่ว่าสงเคราะห์เป็นปัญญาขันโดยกายโดยในสงเคราะห์คือย่อย่อมรรคดมาให้เหลือแค่ศีลสมาธิปัญญานะ สัมมาทิฏฐิมมไม่ใช่ใชคือมรรคแปดสงงครอบเป็นศีลสมาธิปัญญาได้แต่ศีลสมาธิปัญญาสง่งครอบเป็นมรรคแปดไม่ได้สัมปชัญญะจริงๆนะว่าบางส่วนก็เข้าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตรงนี้เนี่ยเน้นความรู้อริยสัจเป็นหลักตัวสัมมาทิฏฐินะ เน้นในความรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธ ร, รู้มัจแต่ถ้าเป็นรู้เกี่ยวกับเหตุผลทั่วทวไปเนี่ยท่านสงเคราะห์สัมปชัญญะที่มาควบคู่กับสติแต่ไม่ใช่กิจของสัมมาทิฏฐิในมัจ ท, ที่ที่กําลังพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอันนี้นกิจในการบริหารทั่ว ท, วทวไปเนี่ยเป็นกิจของสติแต่สตินั้นก็มีปัญญาอยู่แล้วอันนั้นเขาเรียกว่าสัมปชัญญะแต่ทําไมไม่เรียกสัมมาทิฏฐิละ่ะไม่เรียกเพราะสัมมาทิฏฐิล็อกไว้ว่าความรู้ในอริยสัจเนี่ยนะ คือบางอย่างเขาล็อกอารมณ์จริงๆนะทุกอันในนี้ในมรรคแปดประกอบด้วยปัญญาหมดเลยไม่มีสักอันเดียวที่ยานวิปปยุทธไม่มีแม้แต่อันเดียวที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าถ้าเอาตามนี้เลยนะถ้าสัมมาวาจานะเอาถ้าไม่มีปัญญาถามว่าใครจะพูดสัมมาวาจานะเอา้าพูดไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีปัญญานะอาชีพเนี่ยประกอบได้ไหมว่าแบบทั่วๆไปเลยนะยอก ก็แล้วแต่จะเรียกนะนะแต่นี่สัมปชัญญะถูกต้องที่สุดะคือกว้างขวางดีนะหมดเวลาแล้วนะ